สายตาเธอไม่มีฉันแต่ฉันมองเธอไม่เคล้าสายตาขอขออนุญาตห่วงใ่ฉันมีค่าสึกแค่ไหนรู้ดีม่เคยหวาดฝันแต่เพียงขอให้ฉันอยู่ได้ไหมอย่าผลักไสมลย คอยมองตรงนี้ไกลไกลไม่ให้รบกวนใจของเธออยู่แบบไรขอแม้และขอให้เธอได้โปรดเ ช, ชื่อใจหากวันใดที่ใจเธอเมืดมนอย่า ก, กังวลเธอไม่เหลือใครหากไม่รังเกียจมากไป ดฉันูแฝากคงฉันแม้มันเลือนลาแต่จะไม่มีวันจางไปวันครุงนี้แม้เป็นยังไรฉันจะยังอยู่ในสายตาเธอไม่มีฉันแต่ฉันยังคงคอยเฝ้าดูขอ ย่าทวงใหญ่ฉันมีค่าสกแค่ไหนรู้ดีไม่เคยหวาดฝันแต่เพียงขอให้ฉันอยู่ได้ไหมอย่าผัดใสเลยจะคอยมองตรงนี้ไกลๆ ไ, ไม่ให้รบกวนใจของเธออยู่แบบ ขอให้เธอได้โปรดเชื่อใ จ, ใจหากวันใดที่ใจเธอมืมดมนอยากังวนเธอไม่เหลือใครอีกแล้วฉันอยู่ตรงเดียวหากไม่รังเกียดมากไปให้โอกาสฉันดูแล สายตาเธอไม่มีฉันแต่ฉันมองเธอไม่เคล้าสายตาขอขออนุญาตห่วงใหญ่